เรื่องพระโสนสวดพระสูตรในอัฏฐกะวรสองร้อยหครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในที่แจ้งจนดึกจนเสด็จเข้าพระวิหารฝ่ายท่านพระโสนก็ใช้เวลาอยู่ในที่แจ้งจนดึกจึงเข้าพระวิหารพอถึงเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาค ทรงลุกขึ้นแล้วทรงเชื้อเชิญท่านพระโสนว่าภิกษุเธอจงกล่าวทำตามถนัดเถิดท่านพระโสนะทูลสนองพระดํารัสแล้วได้สวดพระสูตรทั้งหมดในอัทธกะวักโดยทํานองสรพัน ญ, ญะเมื่อท่านพระโสนะสวดทํานองสรพัญญะจบแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงชื่นชมอย่างยิ่งจึงได้ประธานสาธุการว่าดีละดีละภิกษุเธอเล่าเรียนสูตรในอัทธกะวักมาดีแล้วจำได้แม่นยำดีเปลงเสียงสวดได้ไพเราะเพราะพริง้งไม่มีที่หน้าตำหนิบอกความหมายได้ชัดเจนภิกษุ เธอมีพันษาเท่าไรท่านพระโสนะกราบทูลว่าข้าพระองค์บวชได้หนึ่งพันษาพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเพราะเหตุไรเธอจึงช้าอยู่เล่าท่านพระโสนะกราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นโทษในกามนานแล้วแต่ผู้กรองเรือนวุ่นวาย มีกิจมากมีธุระมากพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้แล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าอารยะชนเห็นโทษในโลกรู้ธรรมที่ไม่มีอุปธิจึงไม่ยินดีในบาปเพราะคนบริสุทธิ์ย่อมไม่ยินดีในบาปลำดับนั้น ท่านพระโสนะคิดว่าพระผู้มีพระภาคกำลังทรงชื่นชมเราเวลานี้ควรกราบทูลคําสั่งของพระอุปชาจึงลุกจากอาสนะหมอุตราสงเฉวียงบาคข้างหนึ่งมอบลงแท่พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระมหากัจจานะ ผู้เป็นพระอุปชาของข้าพระองค์ขอกราบถวายอภิวาทแท้พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวสั่งให้กราบทูลว่า 1. พระพุทธเจ้าข้าอาวันตีทักกีนาบทมีภิกษุน้อยข้าพระองค์จัดหาภิกษุสงจากที่นั้นๆให้ครบองค์ประชุมคือสิบรูปได้ยากลำบาก เวลาล่วงไปถึงสามปีจึงได้อุปสมบทถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตให้อุปสมบทด้วยคณะสงฆ์น้อยรูป ก, กว่านี้ได้เฉพาะในอวันตีทักขีนาบท 2. พระพุทธเจ้าข้าพื้นดินในอวันตีทักขีนาบทมีสีดำมากแข็งมีรอยระแหงกีบโค ถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นเฉพาะในอวันตีทักกีนาบท 3. พระพุทธเจ้าข่าพวกมนุษย์ในอวันตีทักกีนาบทนิยมการอาบน้ําถือว่าการอาบน้ําให้สะอาดถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตการอาบน้ําได้เป็นนิต เฉพาะในอวันตีทักกีนาบท 4. พระพุทธเจ้าข้าในอวันตีทักกีนาบทมีหนังที่เป็นเครื่องลาดคือหนังแกะหนังแพะหนังมรุกะเหมือนกับที่มัชิมะชนนบทมีหญ้าตีนกาหญ้าหางนกยูงหญ้าหนวดแมวหญ้าหางช้างถ้ากระไรพระผู้มีพระภาค พึงทรงอนุญาตหนังที่เป็นเครื่องลาดคือหนังแกะหนังแพะและหนังมารุคะเฉพาะในอวันตีทักกีนาบท 5. พระพุทธเจ้าข้าเวลานี้มนุษย์ทั้งหลายถวายจีวรฝากภิกษุทั้งหลายผู้อยู่นอกสีมาด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ ภิกษุผู้รับฝากเหล่านั้นมาบอกว่าพวกมนุษย์ชื่อนี้ถวายจีวรแก่ท่านภิกษุที่จะได้รับจีวรเหล่านั้นยำเกรงอยู่จึงไม่ยินดีด้วยคิดว่าของที่เป็นนิสสคีอย่าได้มีแก่พวกเราเลยถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงกราดบอกเหตุในเรื่องจีวร